เห็นไหมถ้ามองอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มเริ่มเห็นทีนี้บางทีถ้าบอกอคติบนะ่งคนไม่เข้าใจนะถ้าอย่างเมื่อสักผู่ที่บอกว่าถ้าเรามองจุดเด่นใครมากๆมองแต่จุดดีจุดดีจุดดีเล็กรบจุดเสียเลยแล้วกลายเป็นคนลำเอียงไปเลยนะีเป็นจันทาคติหรือบางทีเราเห็นจุดเด่นจุดด้อยคนสัไม่ไม่กี่จุดเราเราไม่พยายามมองจุดดีก็เลยคนคนนั้น ไปไปมาแล้วก็กลายเป็นโทษาคติเลยโกรธก็อีกกลายเป็นคนขี้โกรธคนบางหรือไม่ก็ถ้าใครบอกมาอย่างไงก็เชื่อตามนั้นไปเลยไม่แยกแยะพอไม่แยกแยะปัญญาไม่เกิดก็กลายเป็นโมหาขติหรือไปตัดสินตัดสินบุคคลด้วยไปตัดสิน เรื่องราวต่างๆด้วยเอาบุคคลเป็นตัวตั้งเช่นเอาคนมีไปเกรงใจเรื่องอำนาจยศถาบรรดาศักด์ทั้งหลายเลยทีเิีมันก็กลายเป็นลำเอียงเพราะกลัวหรือบางทีกลัวเสียชื่อกลัวอะไรเยอะแยะหมดเลยถามว่าในบรรดาอคติทั้งสี่อย่างเนี่ย อาคติตัวไหนมาบ่อยที่สุดแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่่ะใช่ไเอบางคนอย่างเช่นคนบางคนเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธนะจะเป็นคนชอบมองจุดดีเขาหมดเลยก็กลายเป็นคนมีจุดบอดอีกเป็นชั้นทางคติหมดเลยอออย่าไปคิดว่าดีนะเออคนคนนี้ไม่เห็นเขาเป็นเพ่งโทษใครเนี่ยมีแต่มองดีทั้งนั้น และเราก็นึกว่าคนแบบนี้ดีที่ไหนได้กลายเป็นคนฉันทากติลำเอียงเพราะไม่ได้มองตามความเป็นจริงนี่ <c oughs> เขยิบไหมคนบางคนเนี่ยเขาไม่เขาก็จะไม่เขาก็จะไม่มีไม่ชอบใครถูกไหมคะเขาเป็นฉันทากติเขาก็จะชอบทุกคนมันชอบไม่มันไม่ถูกเลยเพราะจริงเขาที่ไม่แยกไง ค, คนไม่ดีก็ชอบเขาเนี่ยไอ ค, คนคนเขามีจุดบอดตั้งเป็นสิบสิ บ, สบจุด ก็ไม่ไม่มองไม่มองจุดนั้นตแต่จะมองแต่จุดดีเขาอย่างเดียวมันอคติตรงนี้คือมองไม่รรบไม่ครบด้านนี้คนบางคนก็มองแต่จุดเสียจุดดีไม่มองเนี้ยก็ไม่ครบด้านอย่เหมือนกันคนที่ครบด้านจริงๆคือคนที่มองทุกจุดมองมองพิจารณาเห็นในรอบด้านแล้วเวลาจะทำอะไรก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ก็เห็นไม่คนบางคนเขาไม่ค่อยขัดเครืองใครก็เห็นนะแต่เป็นคนแยกแยะไม่ไม่คบบางทีก็เป็นโมหาคติด้วยลาเอียงเขาไม่รู้เขาไม่รู้แลวบางทีไม่ไม่พยายามที่จะรู้ด้วยไม่พยายามที่จะไปศึกษาวิจัยแยกแยะอันเนบนดาอาคติตั้งสี่เนี่ยอคติข้อไหนที่ควรแก้แก้ไขยอย่างรวดเร็เว ให้อสอนเลยคนแก้ไขอย่างเร็วม <c oughs> โมหาคติเออโมหาคติไอ้หลงเนี่ยไอ้ไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยต้องให้ปัญญาอคือไม่แยกแยะเหตุไม่แยกแยะผลเนี่ยโอ้ยเนี่ยไม่โมหาคติต้องแก้ก่อนเพื่อนเลยแต่จริงๆโมหาคติมันก็ต้องเกิดทั่วกับไอ้ข้ออื่นหรืออะไรใช่แน่นอนแต่แต่บางคนเนี่ยโมหะหนาจัด คือหนาจากจนแล้วแต่คนจะบอกแล้วก็บอกให้ชอบชอบก็บอกให้โกรธโกรธก็บอกให้กลัวก็กลัวคือมันแยกไม่ได้เลยแยกมองเห็นว่างคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนเด็กเล็กๆเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่ที่หลงแล้วแม่เนี่ยแม่เนี่ยคนคนนี้ดีนะดีนะก็จําอย่างเดียวว่าดีดีดีดีแม่คนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอาเหตุผลแล้วไม่ดีเลย แม่คนันนี้น่ากลัวนะก็ไม่เอาเหตียดผลอะไรเงี้ยเห็นไห ม, มโมหาคติเนี่ยเพิ่งบอกว่าจริงๆโดยส่วนใหญ่คนยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันนี่เนี่ยมโมหาคติแลงมากโลกข้อมูลข่าวสารมันเยอะ เพราะอะไรโผล่ขึ้นมาก็เชื่อกันไปก่อนแล้วตัดสินกันไปก่อนแล้วเนี่ยโมหากติมันหนักมากยุคนี้เหมือนตอนพะสงวงแั่นี่ยก็นัน่นแหละมันมันมันมหากติคือไม่ว่าเรื่องอะไรเนะ้าต้องจุดประเด็นขึ้นมามันก็ไหลกันไปก่อนแล้วตัดสินวิพากษ์ไนหมดทั้งๆไม่เคยรู้จักเลยคนคนนี้เป็นใครลึกๆเราไม่เคยรู้จักหรอกไม่เคยรู้จักเขาเป็นยังไงโทนนิสัยยังไง บุคลิกภาพยังไงดีไม่ดียังไงจุดจุดเสียเขาแค่จุดไหนจุดดีเขามากแค่ไหนเนี่ยไม่เลยถ้าจะเล่นใครก็เอาจะจุดเสียแต่ถ้าจะชมใครก็เอาจจะจุดดีตัวนี้จะเป็นปัญหามากทุกวันเพราะไอ้สังคมออนไลน์ก็ยี่งแต่ว่ามันมันแคร่ได้เลยวมากเหตุผลเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สอน ไม่ว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้คนพิจิตพิจารณาหรือไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปสอนให้ชัดถ้าลองสอนทุกวันนี่ในเรื่องแบบนี้มันุษยก็จะกลายเป็นคนแยกแยะทันทีเนี่ยลองลองสอนทุกวันเจอลูกสอนลูกเจอหลานสอนหลา น, น, ลานเจอเพื่อนสอนแนะนําเพื่อนคุยกับเพื่อนมาเออเน่มันต้องแยกแยะอต่ยังเมื่อวานมีคนเขาบอกว่าโอ้โหมีเจ้านายคนหนึ่ง ก็าเบอกว่าเนี่ยถ้าอ่าเลขาพูดอะไรเขาเชื่อหมดเลยนะพอเงินเนี่ยเขาบอกว่าพราะพราะกฐโทบอกบอกว่าเขามียอมคนหนึ่งว่าเนี่ยพระบอกยังไงยมก็ไม่เชื่อแต่เนี้ยเขาเชื่อยอมคนเนี้ยเลขาคนเนี้ยโอ้โหพูดอะไรก็ก็ถามอยา่พระอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยมันก็เลยบอกว่าอ๋อ ก็เลยบอกว่าถ้าพูดเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยแยกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยมีลูกน้องสมมติลูกน้องห้าสิบคนก็ไปมีไม่มีที่คนที่ตนเองจะดิวได้โดยตรงมีแค่คนเดียวมี่เสี ย, เ ส, ยเสียหลักแล้วนะเนี่ยนี่เริ่มเสียหลักแล้วเพราะคนคนเดียวมันจะไปดูคนห้าสิบคนได้ยังไง ฉะนั้นวิธีการต้องทอยังไงต้องดูว่าคนที่เป็นเลขาเราหรืออะไรก็แล้วแต่ใกล้ชิดเนี่ยเขาเด่นเรื่องไหนถ้าเขาเด่นเรื่องบัญชีหรือเขาเด่นในเรื่องของการการปกครองหรือเขาเด่นในเรื่องของการที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นก็แยกให้ออกแต่ไม่ใช่ว่าคนคนนี้เขามีหน้าที่ทำบัญชี แต่แล้วกับให้เขาหรือเขาไอเรื่องอื่นเขาอาจยกเป็อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาไม่เก่งเลยด้านรับแขกใช่ไหมแต่แต่เขาคุยกับเราดีดีคนคนนี้แต่เวลาเขารับหลังเราแต่ด้านรับแขกเขาไม่ได้รุ่องเลยเนี่ยอันนี้นี้เราเราไม่รู้กันแล้วเห็นแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมนมุษย์เราเนี่ยบางทีเกามีฉันว่าเราเราเราแบ่งงานออกมาเป็นสิบเรื่อง สิบงานคนบางคนก็อาจจะได้นนทํานาญแค่สองเรื่องอีกแต่เรื่องฉะนั้นมันก็ต้องหาคนที่เหมาะกต่งานคนที่เป็นเจ้านายที่ฉลาดเนี่ยก็ตั้งบุคคลที่เหมาะแต่งงานย่งมันเป็นมันเป็นศีลของเจ้านายเลยนะใช้คนหรือใช้คนให้เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับคนคนนี้เขาถนัดอะไรก็ใช้ให้ถูกนะครับ ถนัดเรื่องการทําความสะอาดถนัดเรื่องกับข้าวถนัดเรื่องการติดต่อประสานงานถนัดเรื่องการเอเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องทํากิจกรรมต่างๆตกแต่งต้นไม้ถนัดเรื่องการที่จะต้องทํางานหนักงานเบาอนะไรเงี้ยถ้าเจ้านายวางกรอบทุกอย่างลี้ยเล้ยเราก็งานอะไรแล้วก็ให้คนที่ถนัดชี้แจง คือถ้าอย่างนี้เขาก็ะจิตช่านาในงานเขาเรียกว่ า, าเป็นเจ้างนายที่วางวางงานให้บอกสมกับทุกคนก็เลยบอกแบบท้าทใจไปทา้าบวงกอุกอยากจะไมาได้ปรับเลยอะเห้ดังทำได้ด้วยเหรอได้ลดเสียงโ ด, ด น, ดด น, ดดนด เออในในต้องไปใช้เมื่อกี้เขเล่งพัดลมเบากว่านี้เราซื้อตังเออเออไม่ต้องเสียงดังฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากอยรู้ระบองูุพรถ้าถามว่ารู้พรไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะใช่ไหมล่ะเออก็จริงนะ สมมุติเก่งเรื่องการติดต่อไปนู่นไปนี้สมมติเก่งแต่ด้านอื่นอาจจะไม่เก่งก็ได้ก็ดูดูลักษณะก็เลยก็เลยบอกว่าเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งอันไหนเป็นจุดเด่นเขาอันไหนเป็นจุดด้อยเขาแล้วอันไหนที่เขาควรจะฝึกพัฒนาให้ให้เขามีความสมบูรณ์หลายๆด้านนึง่ง ทีนี้ถ้าเรากระพองอย่างนี้เราก็จะติดมันษย์ได้ที่สุดจริงๆมนุษย์ที่เราเกี่ยวข้องกันเดินสักวันหนึ่งมันก็ต้องเดินจากกันแต่ทางทางที่มาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยให้มันได้ได้กุ้สมสนะ่จะปเป็นเรื่องที่ดีสุดๆแต่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันแล้วกับคารทมันจะสร้างเรื่องขัดขวนกันแล้วก็คาร์เป็นจองเวรกัน า, านค<ม>่ากันก็คาร์เป็นเสียหายใช่ไห ม, มที่ผ่านมามนันนวดไม่ค่อยรู้ใครรวม ทุกวันนี้เป็นสภาพสังคมแข่งขันกันมันมีโอกาสจองเวรกันมากทีมันแ ข, ข่งขันกันมันเป็นประเทที่เอาเอาสังคมวัตถุนิยมเอาวัตถุเป็นตัวตั้งไป ห, หาวัตถุหาสิ่งเสีได้มากถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จทั้งชีวิตเนี่ยพอไปตั้งอย่างนี้ขึ้นมามันก็ยุ่งเลยแต่วัตถุในโลกนี้มันน้อยคนแย่ยงชิงกันมันก็มันก็แย่งชิงกันพอไปตั้งอย่างเนี้ยสภาพสังคมมันก็เย็ยนเย็น เบียเบียนซึ่งกันและกันไม่พอก็เบียดเบียนวัตถุเบียดเบียนโลกไปนี้ด้วยประเด็นแบนี้ดนั้นตรงนี้ก็พ อ, อถ้ารู้เรื่องเนี้ยต่อไปจะมันจะกลับไปให้ผมแม้ในขณะที่เราไปปฏิบัติธรรมแม้แต่เราไปอยู่คนเดียวปุ๊บแล้วไปนั่งสงบถ้าเราย้อนและลึกปุ๊บเราก็จะเห็นโอเราไม่อะ เราเราเราออกจากชั้นทาคกติลำเอียงเพราะรักได้เราออกจากโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธได้เราออกจากโมหากติลำเอียงเพราะหลงได้เราออกจากพยาคติลำเอียงเพราะกลัวได้อ้อเรามีกายก็สะอาดวาจา ก, ก็สะอาดมีใจก็สะอาดไม่มีอคติน้อเนี่ยพ อ, อพิจารณาอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเวลาเราจะมาเจริญกุศลมันจะเอิบอิ่ ม, ม, มขึ้นมาทันทีว่าเราได้ประพฤติทำแล้ว เราได้ได้ขัดเกลาตัวเราเองแล้วเราได้พัฒนาปัญญาได้รู้ได้เข้าใจแล้วเหมือนเราพิจารณาอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหอะลึกไปที่ไหนเราก็จะชื่ในใจเวลาเราทําอะไรทั้งหลายแบบนี้มันก็จะกลายเป็นอ๋อมันจะมีตัวปัญญาคว า, ามรู้คว า, ามเข้าใจเป็นตัวนําเป็นตัวนําเขาเรียกว่าวมีปัญญาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยามองนี้ก็จะชัดเอ็นชัดขึ้นพอเห็นนี่ยังยากอคติยากไหยไม่ยากพอรู้วิธีแล้วไม่ยาก ก็ถือฝึกแยกแยะมองบุคคลนึงแล้วก็บางทีตรงนี้มันจะช่วยด้วยนะว่าทำให้เราตัดสินคนโดยไม่ใช้อารมณ์หรือใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินถ้าอย่างนั้นเนี่ยบุคคลบางคนทำดีมาตั้งเยอะแยะเนี่ยพอไปทำเสียสักจึดเดียวเสียไปเลยไม่มองหน้ากัน แล้วก็กลายเป็นคนคนนั้นก็กลายเป็นคนเสียคนไปเลยตั้งแต่นี้ทั้งๆที่เขาทาดีมาตั้งเยอะเพิ่งมาทเสียเพีข้อเดียวใช่ไหมนายมีอาคติข้นเยอะโมหาคติเพราะอะไรโมหาคติมาเยอะกว่าอาคติข้ออื่นเพรอะไรความเสพต้นที่เคยมาชอบความเสพต เพราะเป็นคนมองอะไรแล้วไม่ค่อยพิจารณาอย่างกแยะไม่ค่อยพิจารณาแยากแยะนั้นถ้าฝึกเป็นคนพิจารณาแยกแยะเห็นองค์ประกอบหลายๆส่วนเนี่ยจะนั่นจะขจัดโมหะขัตติได้แล้วก็มองอะไรไม่มองไปด้านเดียวเคยเป็นไหมว่าถ้ามองว่าฉันชอบแล้วก็ต้องดีเขาจะทํายังไงฉันไม่สนเพราะฉันชอบเนี่ยไอมองแบบเนี้ยอันนี้ฉันทาคติ โมหะก็มาด้วยโมหะก็มาด้วยแต่ฉันได้เกลียดแล้วเนี่ยต้องไม่เผาศพกันแล้วนี่ ย, ย, ยังไงก็ได้ต่อให้มาทําดีขนาดไหนมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเออเขาเปิดถัดใจกันรีคนหนึ่งโทรมาง้อเขาบอกเขาให้คุยด้วยเด็ดขาดถามยังไงเขาเป็นคนที่ชัดเจ น, น, นกันเลยถ้าโกรธแล้วโกรธเลยไม่เผากันเลย ก็แบบเออยืนอย่างนีงใคเป็นแบบนี้ขนาดเขโทรสาโทรมาขอคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ไม่นะครับรบล็อกบล็อกสายบล็อกอะไรไปเลยถามทำไม่ทํำขนาดนั้นก็แบบฉันตั้งใจแล้วว่าจะไม่เผาสดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยก็มีก็มีปติประจําตัวเงี้ยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบโอ้โหขนาดนี้เงาก็ไม่เหยียบ นน ไ, มไม่ถึไม่ถึงขนาดนต่บางทีเขาไม่โทรมาขอโทษโทรไปได้ถ้าโทรไปไหวอะไรนะโทรไปขอโทษทุาสมมติเขาไม่โทรมาขอโทษเราโทรไปขอโทษเ่านี้าไม่ได้ทำอะไรผิดขอโทษไปนะที่ฉันโกรธคุณ <c oughs> ต่อไปนี้ไม่โกรธแต่ความผิดความผิดฉันไม่ได้ทําผิดทางกายนะ ทางวาจาก็ไม่ผิดทางกายก็ไม่ผิดแต่ฉันผิดทางใจคือฉันโกรธฉันขอโทษส่วนเนี้เขาจะมาไม้ไหนแต่จริงจรใช่ไหมเราคิดโกรธเขาไงนั่นผิดทำนี้คิดจะคิดเบียดเบียนเขาคิดปฏิสลายอยู่ตรงนี้คือผิดบางดีเราคิดโอ้โหกนทับเราได้ในไมถึงทำอะไรแบบนี้ คนคนนี้ไม่เจริญแล้วใช่ไหมคิดนั่นคิดแบบเดินไม่เจริญแล้วทําทไม่ดีอย่างเงี้ยต้องยุบบัตรแน่นอนมันค น, นคิดอย่างเงี้ยเลยเคยคิดถึงขนาดนี้นี่แหลอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นผิดถูกก็ตัง้งตั้งความรู้สึกมาจะไม่ไม่ให้ความคิดแบบนี้เข้ามา เบียดเบียนนี่ักที่จะลงตรงๆถ้ า, mm. ามาพุ๊บจะละให้เร็วถือว่าจะมีกระบวนการความคิดที่เบียดเบียนตัอยู่ในในสังสารวัตรมันมันเป็นแบบนี้ที่สุดจริงๆมันในความไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะฐานะอะไรมันอดไม่ได้ที่จะกระทุบร้ายหรือเบียดเบียนกันแม้ดีกับพ่อกับแม่เรายังน้อยใจพ่อแม่ได้เยอะ โกรธพ่อโกรธแม่กั น, นขนาดนี้เราลองดเมองอพ่อแม่ทำมทำกับเราอย่างนี้เลยสรารภาพมีขนาดพ่อแม่เรายังโกรธเลยอยู่ดีแต่ว่าจะคนอื่นมีเราเคยบอกนี่ว่าจะคบกับใครฉันยังไม่ใช่คนดีนะจง <c oughs> ขนาดพ่อแม่ฉันยังโกรธเลย <c oughs> หนุพรเคยไหมเคยโกรธพ่อแม่ไหมหนูเขียนมา เขาคัเรียวเอเหรอพอยโกรธมากแก็ยังไงแม่มเือใเราองเคะตอนสมัยเรียนนะคะอ๋อแล้วโกรธยังไงเวลาโกรธแล้วโกรธก็ร้องไห้คุยกันแล้วแ่สมัยเรียนเราเที่ยวเพื่อนแล้วแม่แบบใหไ้ไว้ใอะไรอ่าี้แม่ไม่ว่าไปทไําเลยแม่ไว้ใจเราว่าเราเป็น จะทำไม่ดีอะไรเงี้ยจ้าแล้วแม่คิดว่าเราไปทำอะไรแม่คิดว่าเราแบบปอยู่ผู้ชายอะไรเงี้ยอ๋อเพราะเหมือนมีแนผู้ชายเยอะจแล้วจริงๆหนูไปอยู่ผู้ชายจริงป้ไม่ไปอยู่ใครไปเที่ยวแต่ปกติจะเที่ยวเล่นกั่อแม่มองว่าเรานิสัยไม่ดีแม่ไม่เชื่อใจอะไรเงี้ยแล้วหนูะดทยังไงเวลากดเสร็จ ก็ไม่ทำเลยค่ะก็เลื่อหนีแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไปหาพอ่พอพ่อมาถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นโกรธแล้วคิดยังไงในใจก็คิดว่าแบบทำไมไม่เชื่อใจเราแบบเป็นแง่เราไม่ใช่เหรืออะไรเนี้ยทาไมไม่เชื่อใจหมูอะไรอย่างเงี้ยอ๋ อ, อเสียใจมากที่แคนในครอบครัวแบบไม่แบบไม่เชื่อใจก็ก็บุคลิกภาพ่ากัหนูไม่น่าเชื่อถือไงตอนนั้นไม่รู้นะแต่ขอก ว, อกวตอนนั้น ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยนะคะตอนนั้นเรียนยม6ออเนี่ยนะคะถ้าคนอื่นจะมองยังไงหนูจะไม่สนใจแต่คือคนนีนเข้มข้นที่แบบถ้าไม่เชื่อใจเราแบจะเสียใจมากเสียใจเราคิดประตูสลด์เขาไหมไม่นะะแค่ <c oughs> แค่น้อยใจอย่างเดียวแค่น้อยใจว่าทำไมไม่เชื่อใจเราเพราะที่เราเป็นลูกอะไรอย่างงี้ยนะคะนิสัยก็ไปเล่าให้ใจพ่อ จริงๆวิธีคิดวิธีคิดนะสมมุติถ้าเราทําอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็มั่นใจในสิ่งที่ดีทําเรื่องที่ดีแล้วถ้าบอกคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่เชื่อเขาไม่เห็นเป็นไรก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจตอนให้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ได้ทําสิ่งที่ดีบอกเรื่องที่ดีแล้วก็ อธิบาย้ฟังแล้วเป็นมันเป็นคนอย่าไปพยายามบังคับความรู้สึกเขาเพอเราไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกเรามีหน้าที่บอกเหตุผลก็บอกไปเราก็ต้องมาพิจารณาว่าคําพูดของเราอาจจะไม่ละเอียดพอใช่ไหมละ่ะบางทีเราพูดแบบหุ้นหว้วนพูดแบบสั้นๆเงี้ยพูดแบบไม่บอกรายละเอียดทั้งหมด หรือพูดแบบลำคาลลำคาญอะไรนี้ต้องมาดูรายละเอียดด้วยถ้าเราพูดแล้วก็บอกข้อเท็จจริง เ, เสร็จปุ๊บมันหมดหน้าที่เราหรือยังหมดแล้วทําไมเราต้องไปบีบให้ความรู้สึกเขาเาต้องเชื่อเราด้วยเพราะนั้นยุ่งเนอะถ้าวิธีคิดแบบเนี้ยแล้วเราจะไปควบคุมความคิดของเขาให้เชื่อหรือไม่เชื่อได้อย่างไรแต่เรามีหน้าที่บอกมีหน้าที่ให้เหตุผล เหมือนเวลาเราไปขึ้นศาลเนี่ยจะเป็นอโจรหรือเป็นจำเลยแล้วก็พูดเต็มที่ะะเต็มความสามารถเราในเรื่องที่คนพูดนั่นแหละหรือจะให้ศาลเขาเชื่อเลยลือ้อย่าไปเชื่อคนนั้นให้เชื่อเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเออนี่เหมือนกันเวลาเราไปคุยกับพ่อแม่ก็เหมือนกันก็ให้คุยในลักษณะว่าเราบอกละเอียดหรือยัง บอกได้ใจอันงามไหมไม่ใช่ไปบอกปุ๊บแ้่เขาไม่เชื่อโกรธเขาอีกถ้าอย่างเงี้ยถ้าหนูไปมีแฟนก็มีปัญหาอีกแล้วหนูไปทุเลาปุ๊บก็ไปพูดอะไรขึ้นมาแฟนไม่เชื่อหนูก็ไปโกรธเขาอีกเป็นยังไงถึงไม่เชื่อใจอะไรโว้ไปใหญ่เลยแต่เนี้ยเข้าใจยังเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นแม่แต่ว่าแม่เขาไม่ไดว่า ถามหนูนะคะแต่ทีนี้เขาก็พูดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะแล้หนูก็ถามเขาว่าทําไมถึงไม่เชื่อเจมเขาอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ถามเหตุผลเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบแคร์ๆก็ไม่อยากให้หนูไปเที่ยวตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นหนูจะไปเชื่อยวเพื่อที่มาถึงนิวจีนอะไรเนี้ยเจคะแล้วแล้วหนูก็ถามเหตุผลว่าทําไมไงอะไรอย่เงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจะไปทําไม แต่ว่าทุกวันนี้ก็มีอะไรนวก็จะคุยกันทุกคืนหังกันะนคุยกันเือที่ก็เคยอะค่ะอาจจะคุยกัเพื่อนอทุกวันนี้ก็แบบเเข้าใจกันแล้วก็แบบยกนืนเพื่อนากกว่าอ๋ความเข้าใจกันแล้วก็เคยตัวทั้งนึ่งตอนนั้นอะจะแบบกมากจนไม่คุยเรื่องเป็นอาทีนย์เลค่ะเข้าใจยังตอนนี้ที่พูดเมื่อสักครู่เข้าใจ ว่าต่อไปมันจะกลายเป็นคนมีนิสัยแบบนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะขะทอปสูงบอกเจ้านายใช่ไหมอ่าพอบอกบอกปุ๊บเจ้านายก็ฟังเฉยเฉยก็ไม่เชื่อบางทีก็โกรธอีกเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหนูต้องตั้งความรู้สึมันมีหรืองตั้งความรู้สึกหมายว่าเราจะบอกเรื่องราวทุกเรื่องตามความเป็จริงเมื่อบอกเสร็จแล้วมันจบหน้าที่แล้ว เราไม่สามารถเป็นบีความรู้สึกให้คนเขาเชื่อหรือไม่เชื่อเพราให้เราทําหน้าที่เป็นผู้สื่อสารให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้แค่เนี้ยแล้วก็ให้ชื่นใจในสิ่งที่ตนเองได้พูดได้บอกแค่นั้นพออย่าไปลุกล้ําความคิดของเขาเมื่อหนูมาเล่าอะไรฉันฟังเนี่ยต้องมาบังคับให้ฉันเชื่ออย่างเงี้ยมันจะโหดร้ายไปไหมจริงไหมแม่ไม่จริงไหม เคยเป็นไหมเวลาเราจะบอกเล่าอะไรให้คนฟังว่าเพื่อนต้องเชื่อเราแม่ต้องเชื่อเราหรือว่าพี่ต้องเชื่อเราอย่างเงี้ยทําไมต้องอย่างนั้นด้วยนะ <c oughs> ก็เราก็เล่าสิก็บอกสิเมื่อบอกเสร็จแล้วเรายัางตามไปจิกความรู้สึกเขาอีกแล้วยังไปถามว่าต้องเชื่อฉันนะห้ามบิดผิว ใช่ไหมที่คนเป็นแบบนี้กันเยอะเนี่ยที่มันมาจากอะไรลองหาสาเหตุสิมันมาจากสาเหตุอะไรทำไมมันเราพูดอะไรไปแล้วทาไมต้องให้คนอื่นต้องเชื่อเราเพราะอะไรควยึดมั่นถึงมันงม่นเพราะว่าเราอยากสยึด ก, ก็เป็นแม่ยึดก็เป็นคนคลบุคคจะตั้งให้ทุก์โอ้โหถ้าสมมุติว่า ฉันมาบอกแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าโยมแหมืนปฏิบัติไม่ได้ฉันไปนอนเครียดนลยนอนนอนไม่หลับฉันเยฉันฉันจะเครียดมากเลยใช่ไหมแล้วไปบอกให้เสร็จโอ้กลับไปชันนอนเครียดเลยบอกท่านไนเนี่ยโอ้ทั้งนั้นฉันจะเครียดมากเลยเนี่ยจะบอกจะบอกยอมโตเนี่ยผมยอมโตอย่างงั้นเดี๋ยวยอมโตไม่ทำสรอีกแล้วใช่ไหมเครียดเลย ฉันไม่เครียดหรอกฉันมีความรู้ว่าเออได้บอกในสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าถ้ากำลังกุศลของเรามีพลังพอและกำลังกุศลของเขาก็มีพลังพอเขาต้องเขาต้องรับสิ่งที่ดีๆที่เรามีเจตจานนที่ดีอนี่แล้วก็ไม่ท้อวันนี้บอกแล้วเขาไม่ทำก็ไม่ได้ท้อนะว่าสักวันหนึ่ง เราจะให้แล้วบาีอ ม, ามองเหตุปัจจัยหรือเหตุผลที่เราให้ไปน่าจะยังไม่เพียงพอน่าจะยังไม่เพียงพอหรือยังไม่ได้โอกาสขอเอาละเราจะไม่เบื่อหน่ายในการบอกเราจะยินดีเราจะพอใจจะชื่นใจในการบอกในการเจริญดุสสไปเรื่อยๆแม้วันนี้ทำไม่ได้อาทิตย์หน้าเขาอาจจะทำได้วันนี้อาทิตย์หน้าไม่ได้เดือนหน้าเดือนหน้าไม่ได้ปี ปีหน้าปีหน้าไม่ได้ใช่ไหมก็หลายปีข้างหน้าหลายปีข้างหน้าไม่ได้ชาติหน้าได้เออคิดไปได้ขนาดนั้นนะเออสักชาติใดชาติหนึ่ง อ, อีความจําที่ก็จําไว้ในใจแล้วก็ฝังเข้าไปแล้วนยเข้าในเข้ า, ขาจะเป็นตัวกุศลที่จะตุต้นเตือนให้เขาได้เข้าถึงความดีงามคิดขนาดนั้นโอ้พขคิดขนาดนี้สบายใจเลยโอ้เราได้บอกแล้วได้แนะนำแล้วเออเหมือนที่สนธนากับเรื่อน ยัง แ, บบแหวนดีดีวันแล้วเอาไปฟังฉันฟังจะนึกออฉันเป็นนั่งนอนฟังนะึกคิดถึงไหฟังฟังนึกแล้วฟังขั้นใจฟังฉันเป็นนั่งนึกบอ ก, บอกละเอียดขนาดนี้ถ้าทาไม่ได้นี่เกินไปแล้วฉันนี่ฉันเออเราก็ววาคิดของเราเองมันแล้วมันนาคิดเอออย่างนี้คิดผิดเลยหน้าที่บอกให้ละเอียดบอกทุกขั้นตอนแล้วก็แค่จะ จับมือทาเลยบาเทียจับมือทากันเลยเนะีบอกแบบนี้แล้วก็คิดว่าเอาละเราได้ทําำเลยเราได้เจริญกุศลเต็มบบที่ซึ่งซึ่งไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ง่ายเลยที่จะพูดอย่างนี้เราต้องเกาะดูทีว่ามันเ <c oughs> <c oughs> ป็นลงไหมะละเอียดทํายังไงยังไงยังไงขนนาดไม่ใช่พูดแค่หลักการ พูดเลยอ่ะอาคุณทําเองคุณทําเองบอกวิธี <c oughs> ใหม่ๆแล้วรู้ว่าเออเขาเวลาเข้ามาคุยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่แม่เขาเนี่ยมีปัญหาเขาไม่มีใช่ไหมทุกคนจะเปอย่างนี้เ ข, เ, นน เ, นเขาโอกเคแล้วที่มาคูดเนี่ยถ้าพระเขาต้องการให้พระบอกว่าให้แม่เขาทำยังไงแต่ทําไมพระมาบอกว่าฉันต้องทําอยังไง เขาก็มีความรู้สึกผิดอย่างนี้นใช่ไหมจริงๆเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าพี่แม่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอยู่แม่เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้นแม่เราก็เป็นของเราอย่างนี้นแต่ก็ต้องมองว่าจริงๆประเด็นที่เราเป็นของเราแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกบางส่ว น, มนแม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกบางส่วนแต่เราจะไปแก้แม่ศักยภาพเราก็ไปถึงเพราะศักยภาพไม่ถึงเราก็ต้องมาแก้ตัวเขาเอง การแก้ตัวเราเองก็คือเราทํำกุศลซะเลยเมื่อกุศลมันมีพลังกุศลมันมีพลังและมีกําลังเพียงพอแล้วกําลังของกุศลมันที่จะเปลี่ยนหรือข้ามสังคมสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจากข้างในออกสู่ข้างนอกเห็นไหมหนึ่งจิตใจเปลี่ยนก่อนพฤติกรรมถึงเปลี่ยนพอจิตใจและพฤติกรรมเปลี่ยนจนมีพลังพอแล้วมันอ่มีลาบมียอดสู่สารเสริมมันมนตามาสมหวังมันตามมาแล้วมันถึงกระทบ พ่อแม่ครูตายย่ายาได้รับผลกระทบจากการที่เราไปพูทำผลของการกระทำเนี่ยมันสี่ระดับนระดับ จ, จิตใจระดับบุคลิกภาพระดับที่ได้รับได้ยศสุขสารเสริสมหวังประสบความสุขกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมมีพ่อแม่ครูตายย่ายาวได้รับผลกระทรบจากผู้สนที่เราทําำนี่คือความดีแม้ความไม่ดีมันก็สู่ระดับอย่างนี้เป็นต้องนี่มนุษย์ไม่รู้ ว่าปัญหาบางทีเราเห็นว่าเอ้ยทำไมลูกขี้เกียจเรียนหนังสือเนี่ยโยมพัฒนาทุกวนันบนทุกวนันเขาก็นิสัยแบบนี้แต่เรานึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบไปจากเราแท้จริงไปจากเัาเหมือนมีพระเอียวมาพระมาไว้มาอยู่ด้วยเพราะเราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยโอ้สภาพพระที่บวชเข้ามาแล้ว เขาเจอปัญหาเยอะยๆเมื่อนามาเห็นท่านไหนาปุ๊บวันแรกเนี่ยพอพอท่อญญญานั้นยอมหนุนสภาพมากกาครับไมยอมหนุหนม่ยอมแม่นั่นหละพ็เห็นปั๊บเนี่ยมาก็รู้แล้วไม่ใช่รู้เฉพาะตัวท่านเองรู้ไปถึงครอบครัวรู้ไปถึงสภาพสังคมตอวท่านท่านได้หลนกระทบได้รับเห ย, ยุปัจจัยจากครอบครัวมาทางด้านดีไม่ดีอย่างนี้นเนี่ยไม่เห็นด้านดีเลย มันไม่ใช่ไม่มีส่วนอัมีทีนี้เอาละเราไม่มีสิทธิ์ไปแก้ตรงนี้แต่เรามีสิทธิ์จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลครับและสักวันหนึ่งเมื่อกําลังผู้ส่วนเขแข็งแรงผู้ตัวนก็กลับไปกระทบถึงพ่อแม่ผู้ใจยากยากใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ยังโยมมาหาเราก็ต้องบอกว่าเออยอมต้องเชื่อถือ ในการที่จะทําตนเองให้แข็งแรงอยู่ไรเชืมแข็งอง้และถ้าหยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่สมมุติในวันนี้ให้ยอมแบนไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติทำนะฉันจะมีอะไรฉันจะเหมือนเดิมๆเลยไม่ใช่กระทบ้อเจ็บจะแบนจะท้อหมดเลยไปวางญาติมิตทั้งหลายพากันเดือดร้อนหมดเลยพากันเดือดร้อนแต่ถ้าลองลองดูเราคือทำนะ กจรินกุศล ม, มันก็กระทบเหมือนกนันกระทบในทางดีเหมือนกันมันจะเปลี่ยนแค่คนคนเดียวเนี่ยพลังเยอะยิ่งยิ่งกำลังกุศลจะยิ่ง เ, เปลี่ยนสังคมได้เยอะลองคิดดูที่ว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยเปลี่ยนโลกเลยถ้าเทวทั ก, ก็เปลี่ยนแต่มัเปลี่ยนพลธรรมจริงหรืออย่างมัวหมัดเนี้ยขึ้นมาเนี้ยเปลี่ยนจริงเนย ให้เยโซให้เปลี่ยนให้สังเกตดูดี๋ยมันจะเปลี่ยนทางดีหรือไม่ดีให้สังเกตดูหรืออย่างลาสตูตินเนี่ยนะก็เปลี่ยนอยู่รัสเซียเนี่ยมิโคลานี่ยขรัสเซียเนี่ ย, เ น, ยสส เ, นเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าโอ้แค่คนคนหนึ่งเปลี่ยนได้จริงจหรืออย่างถ้าเราดูอย่างเขมนแดงเนี่ยพรอมพศคนเดียวโยหดีเนีเดิคนคนเดียวเนี่ยถ้ามัน ถ้าทำกุศลก็เปลี่ยนมหาศาลถ้าทำอกุศลก็เปลี่ยนถ้ายิ่งมีพลังมากเท่าไหร่ก็แค่นั้นนี่เหมือนกันที่เราอยู่ในแอร์เรียในบริเวณที่บริวารท่ห น, นแค่เหนืจเจริญกุศลแผ่ความร่มเย็นแผ่ถ้าอยากให้เดือดร้อนลองลองทำอกุศล <laughs> ก็จะร้อนร้อนอเร่เป็นอย่างนี้ มาจนเห็นประโยชน์ตรงนี้มีคนคนหนึ่งเนี่ยวนก่อนเขาเจอเขาเลยเนี่ยแต่ก่อนนี้ให้คนคนนี้เ็าจะเรินกสศนจะมีเวลาโนะตอนนั้นก็สักประมาณครึ่งปีที่รู้จักแล้วใช่ครับตอนนั้นโอ้ยบริวารยาติมิดคดีใจมากประมาณหกเดือน แต่พอชีวิตกันเดินออกมาคนตัวนี้ก็ไม่แข็งแรงก็กลับไปเบเสพสิ่งแวดแล้อมเก่าตอนนี้เดือดร้อนเง้ยไปเจอลูกน้องเําบอกว่าพระอาจารย์ไม่ไปบ่มเลยเ <c oughs> นี่ยเห็นไห้มันมันมั น, ม, นมันมีผมอย่างมากเลยจากคนคนเดียวเพราะว่าเปมีอีกคนกับคนเล่าข้ามมีคนอื่ทุกแ่รู้สึกวันนั้นที่พระอาการท์ให้เครื่องโยกผ่อนเงิน มีสี่ <c oughs> คนที่เกิดกับแม่คะวถึงแม้บงคนเขาจะไม่เอาไปปฏิบัติทัิงๆแต่ว่ามันอยู่ในคือเขาได้ยินรับครอมมาแล้วเมื่อเขามีปัญหาจริงๆเดี <c oughs> ๋ยวคิดว่าเขาจะจะได้ใช้แต่อย่างบงคนเขาก็ตั้งใจที่จะหยุเยั้ต้องก็คือความรู้มาจากของเขาเนี่ยคืเขาต้องเรียนค่อยๆค่อยๆไป <c oughs> แต่อย่างของโยมเชี่ยเนีเนื่องจากาเขามกมากเพราะต้องรี่งําก่อนตนตใช่เราจะ คือการทุกข์มากมันก็มีข้อดีของมันคือมันต้องฝึกถังต้องออกเองออกจากทุกข์ให้ได้แต่บางทีมันอย่างนี้พอมนุษย์เราเนี่ยทุกข์มากตอนนั้นก็ออกมาได้แล้วมันจะประมาทแต่ที่จริงความทุกข์บีบคั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีปัญญามันจะตัดพัฒนาได้มัน์จะเจอสุขมากก็กาเด็นอาจจะอาจจะหลงก็ได้ ยอมถึงบอกว่าที่ไหนช่วยอาจจะใจไม่ช่วยมากเพราะว่าเดิมเชียร์เนี่ยฟังทุกฟังทุกวันฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเอาของเพื่อนเนี่ยส่งใน้เขาฟังดีเดิมยอมก็ส่งไปแล้วแต่เขาก็ยังฟังของเขาสองวันเนี่ยาก็ยังฟังของเขาทุกทุกฟังทุกวันจริงๆเนี่ยเพราะว่าไม่อย่งนั้นเขาจะกลับร่องเดิมทันทีเลยเพราะว่าเราไม่ได้สึกในการที่ที่จะคิดแบบนี้ ว่าการคุ้มเถื่คุ้มเนแล้วสำหรับอย่างโยมเจ้าแม่ซึ่งไม่เคยไม่เคยสวดโมนต์่เคยสนใจธรรมะไม่เคยอ่านอะไรทั้งสิ้นตอนเนี้ยเราบอกโยมบอกว่าเนี่ยเออมันก่อนฟังเนี่ยคือเาเห็นว่าแบบตัวเองเนี่ยมีปัญหาเยอะมาก <laughs> แล้วเขาเขาต้องมีความทุก์มากเขาก็เลยเขาต้องพยายามจริง <laughs> ดีแล้วเป็นบุญ คนอื่นอาจจยัไม่เท่าขั้นก็เลยสบอแต่แต่ก่อไฟจะเป็นประโยชน์โนตที่ที่เป็นทึกไว้จะเป็นประโยชน์จะปนระวัติคั้งหนึ่งในชีวิตของเรที่เขาได้เอามาเขียนปมปัญหาต่างก็ทีขึ้นได้เหมือนเราเลยว่าได้แยะรแต่ว่ามันก็ที่เดี๋วก็ทีจะต้องมาแย่ว่าทีก็หลดไป อันย uh, yeah, mm ่าเขาดีเขาก่อนได้พูดอะไรนิดนึงว่าล้มตาล่วงแล้ใช่ยมเจียวอ๋อเขาฟุ้าถ้ามองถ้ามองจริงจริงนีว่าปัญหาที่เจอเจอในเรื่องาหนักใช่ก็คือตอนที่เราแหวนเท้าโรงพยาบาลเาายังสมบสอิดแต่เเข้าใจได้ด้วย จริงๆเยี้วงแหวนก็เห็นตามตามที่เขาเห็นเพราะจริงๆโลกโลกเขาแก้ปัญหากันเ้เขาก็มองว่าพ่อแม่พมมเป็นลำเอียง่จริงๆต้องการชี้เหตนมีมนุษย์แบบนี้ไม่ใช่น้อยบนโลกเลยซึ่งเขาเห็นแล้วเขาก็ทำาเขาแบบนี้เหมือนก่อนที่อเมริกาจะเข้าไปอยู่ใน แขกอเมรกาเขาก็จะมีพวกเขาจะมีพวกชนถิ่นเดิมขอราพอินเดียนแดงบางกลุ่มเขามีวัฒนธรรมต่อสู้กันใครแข็งแกร่งที่สุดเป็นหัวหน้าเผาแล้วเขาไม่สนใจว่าจะเป็นพ่อมาสู้กับลูกลูกสู้กับพ่อก็ได้ถ้ากัดไปสู้ปุ๊บเนี่ยถ้าชนะ ฝ่ายแพ้เนี่ยโดนจะต้องจับผายแพ้ฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องแง่เนื้อเอาเนื้อมากินให้ถือต่อไปคนคนนี้ก็เป็นหัวหน้าเขานเนี่ยนะแล้วเป็นประเพณีเขาที่เขาทำสื่อทอดกันมานเป็นร้อยเป็นพันปีต่อมาอเมริกาไปปกครองเขาก็ไปตั้งคณะรัฐมนตรีหนึ่งจับพวกนี้มาแล้วก็จับเขาประหารชีวิตจะจับคนที่ เขาทาตามตามพิธีกรรมของเขาตามประเพณีของเขาไอคนคนนี้ไปฆ่าพ่อตัวเองสู้กับพ่อแล้วชนะพ่อแล้วฆ่าพ่อกินเนื้อพ่อแล้วต่อไปก็ถูกสารานาเป็นผู้ํ า, าเขาในฐานะลูกขุนของเวกาก็ไปจับเนี่ยอะหารชีวิตมันก็ประท้วงเลยเพามันทําตามประเพณีของเขามาฆ่าอะไรเขาก็จะยกช่องเขา <c oughs> <c oughs> เห็นไหมว่าเนี่ย มั น, ม, นมันธรรมชาติของคนของมนุษย์ที่มันมียึดมั่นในรูปแบบวิธีการที่เราถูกสอนกันมาว่ามีรูปต้องแบ่งเท่าเท่าทีาท่คำว่าเป็นธรรมเนี่ยเราก็เลยเป็นรีกว่าเอาวัตถุมันเท่ากันใช่ไหมละ่ะคนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างนั้นหมดเลยคือเป็นธรรมแล้วให้น้องห้าสิบพี่ก็ต้องห้าสิบ หรือให้เพื่อนห้าสิบเลยก็ได้เราคิกว่าเนี่เป็นธรรมมันเป็นกติกาเท่านั้นเองมันเป็นกติก า, าถ้ามันมีคนคนหนึ่งไม่แบ่งนมาโอ้ที่โดนเลยไอ้คนนี้โดนตำหนิตายเลยแต่ที่จริงมันถามว่าอาคติหรือไม่อาคติมันดูตรงไหนลำเ อ, อียงเพรละบางทีมันไม่ได้ให้สิ่งของเพียงว่าฉันรู้สึกดีกับคนคนนี้ แต่คนคนนี้จะรู้สึกโกรธมันก็ลำเอียงนะมันไม่ได้ให้สิ่งของอะไรเลยนะเนี่ยฉันไม่อยากพอใจไม่อยากคุยอยากคุยกับคนนี้อยากอะ้รสนุกกับคนนี้กับคนนี้มาฉันเฉยเฉยฉันเกลียดหน้านเห็นไหมเนี่ยมันก็คือลำเอียงเวลาปฏิบัติด้วยมันไม่ใช่ให้สิ่งของอย่างเดียวมันให้ความรู้สึกด้วยก็ยังชื่อว่าลำเอียงอยู่ดีเห็นไหมเพราะว่าเราถ้าคนนี้มันคาถูกใจที่เราชอบมาท่านลาเอียง ในอคติเนี่ยมันไม่ได้ว่ากันที่ของภายนากอันนี้โยมเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพระอาจารย์พูดกับคนเนพ่อคนเป็นแม่เนี่ยพระอาจารย์จะไม่แนะให้เขาพยายามให้ให้เท่ากันให้ดีช่อง แล้วก็อาจจะให้ไม่เท่ากันก็ได้เมื่อคนมีความจําเป็นต่างกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ให้เลยเนี่ยอย่เ น, นี้ยเป็นเรื่องทางกระทำแล้วใครมันจะมีปัญญาไปแยกแยะที่ส่วนยิ่งยอมเองนั่นแหละเป็นผู้ที่กระทําผิดเสเองผิดหลักการเองไงจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันโดตรงเลยก็คือแม่ยงเทียมก็เป็นเป็นคนมีชั้นดาต็ติกับพี่ชาย แล้วก็มีโทสาคติไม่พอใจลูกสาวใช่ไหมแล้วก็มีโมหะคติด้วยหลงไม่รู้เรื่องยึดแต่ความเหม็นตัวเองแล้วก็มีปยาคติกลัวกลัวพี่ชายจะเอาตัวไม่รอดเลยก็แล้วแต่พี่ถึงอคติกินเต็มนะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าแต่นี่เราไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับเธอเห็นไหมถ้าคุยกับเธอเราก็ต้องบอกว่าเพราะเราถือธรรมะเป็นใหญ่เลยทําให้ถูอแต่ แต่ทำให้ถูกเป็นซับของเธอเป็นเรื่องเธอจริงเข้าใจแต่เธอมีอคติไม่มีแต่ลูกเนี่ยไปโกรธพ่อไปคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยอันนี้ลูกก็ทําไม่ถูกแต่แม่ก็ทําให้ถูกไอ้ตรงเนี้ยเราก็ลำยากเนี่ ย, แ, แ, ยออแต่ต้องการชี้ยอมเจี๊ยวแค่หมุมหนึ่งว่าะ่อแม่เขาเป็นแบบนี้นจะให้เป็นยังไงเราจะไปบังคับจิตใจเขาไปไปมาก็ไปคิดแล้วก็กลุมว่า ทำไมคนนั้นเป็นอย่างไี้ปยใหญ่เลยตอนนี้ดีนะถ้าเราเจออย่างเธอเราอาจจะหนักไปสมมติเราเจอพ่อแม่แบบนี้โอโหี่เราอาจจะหนักเลย่ลยก็บอกความจริงๆว่าอันนี้นจรงๆแล<ำ>ันนีนบบนจอเจอเจอบางคนถึงขนว่าฉันเกิดมานม่ยพ่อแม่ไม่รักเลย ไม่เคยให้อะไรชันมาเลยพ่อแม่ไม่เคยเลยนะต้องมาสร้างเองทั้งหมดเลยฉะนั้นพ่อแม่จึงไม่มีบุญคุณอะไรกับฉันโอ้หนักเลยอยนะ่างเงี้ยเนเขาลืมคิดไปไว่าอชีวิตที่ได้มามันก็สุดยอดแล้วจากที่พ่อแม่มีเขาทำให้คิดอยนูะ่ถ้าบอกว่าชีวิตที่ให้มาก็บางคนหนักไปกว่า น, น, นั้นอยไม่ใช่เราพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจเกิดเรามันเกิดจากปัญหาราคาของพ่อแม่เองนะ ฉันเป็นผลผลิตเป็นผลโปรยได้อุปายใหญ่เลยเห็นไหมนี่มันคนคิดถึงแค่ไหนใจเป็นไปแนก็เรื่องในสังคมของอริยชนเขาไม่ได้เอาตานาราค่าเป็นใหญ่เวลาเขาไปเกี่ยวข้องกันในฐานะสามีภรรยาเนสามีภรรยาที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเขามองถึงความว่าเออจะมีเชื้อสายสตบคุณยังไง เขามีตรงนี้เป็นเป็นหลักเป็นเป็นจ yes. ุดหมายแต่ความสุขที่การเกี่ยวข้องกันนั้นเป็นจุดหมายรองแต่ความสุขความหวังความปรารถนาอยากจะมีทายาทสืบต่อนี่เป็นจุดหมายหลักเขาเขาตั้งหลักอย่างนี้เลยนะสังคมอาอารยาชนเมื่อไปเกี่ยวข้องกันไปแต่งงานเัร็จปเนี่ยเขาก็จะวางว่าเราปรารถนามีทายาทติดก็ตั้งตรงนี้เป็นหลักอยากจะมีทายาทเป็นหญิงเป็นชาย แล้วเขาก็สร้างเหตุปัจจัยว่าทํายังไงจะมีรูปหญิงทํายังไงจะมีลูกชายจะไม่เขาสร้างเหตุปัจจัยเป็นสร้างผสมเป็นแล้วทํำยังไงจะได้คนดีมาเกิดทายังไงจะได้คนมีฉลาดคนมีความรู้ทั้งหลายมาเกิดเขาก็สร้างเหตุปัจจัยกันเป็นด้วยนั้นมีสอนวิธีการขนาด น, นั้นหมดเลยใช่ไหมแต่เราไม่เคยไปเจาะเชิงลึกในคําสอนกันแบบนี้เลยที่จะเอามาใช้ในในชีวิตจริงๆแล้วเขาจะมองว่าอ๋อเขาต้องการที่มีทายาทเปนจุดหมายหลัก ต้องการอยากจะได้สืบวงตระกูลของเขาวงตระกูลที่เป็นแบบอย่างของอาญาชนของเขาเนี่ยชนที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีวงตระกูลยังไงมีทายาทที่เป็นหญิงเป็นชายยังไงสืบพ่ออย่างไรจะเสร็จพวกมามีเป็นจุดหมายหลักส่วนความสุขที่เกี่ยวข้อ ง, งกันได้ปฏิบัติแล้วกันเป็นจุดหมายหล่อแต่คนทุกวันเนี้ยเอาความสุขทางเนื้อหนังเป็คือหมายหลัก การมีทา ย, ยาทสืบต่อกายเป็จุดหมายหรอโอ้นี่ยุ่งเลยจริงไหมมันกลายเป็นเอาตักหาเด่นแต่ใ น, นแบบอย่างของอารียชนเนี่ยเขาเอาตัวปัญญาเอาข้อมูลความรู้เอจุดหมายเอาการที่จะทําจะสร้างวงตระกูลยังไง<ม>ให้วงตระกูลนั้นเอเป็นวงตระกูลที่ดี<ม>แล้วก็มีการสืบทอดวงตระกูลนั้นให้อยู่ดีมีสุขยังไง แล้วก็จะให้ทายาทที่ดีมาสื่อต่อกันยังไงและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไงถึงจะได้ทายาทที่ดีสร้างเหตุปัจจัยยังไงที่วงตระกูลนั้นถึงจะสืบทอดต่อกันไปได้ยินยาวนานแล้วก็รักษาวงตระกูลใช่ไหมจะมีอะไรครัท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบจงกิตท่านดํารงวงตระกูลเนี่เตรงนี้ไหมให้ดํารงวงตระกูลทําตัวให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นทายาทที่ดี การรักษาวงศตระกูล hmm. hey, right. ี mm ่แปลว่าเขาจะเร้นผู้สนเงินเก็จะทําให้วงตระกูลสืบทอดถึอย่ามเขามีหลักเย่างนี้เลยแต่ยุคปัจจุบันนี้เอาแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเทรนเอาข้อมูลตรงนี้ยมาวางหลักพ้าก็ผิดพ้าก็ไม่ได้วางหลักแนะนําใช่ไหมทั้งหมดเหล่านี้มันก็ผิดทั้งพระทั้งโยมก็ผิดกันเอง มันมันเป็นเรื่องอใหญ่มันเป็นเรื่องที่แต่ก่อนมันมีแบบอย่างมานี้มาแล้วมันมาขาดตอนบ้านเมืองเจอปัญหาเกิดภาวะการศึกษาวิขาดขาดตอนมาแล้วการศึกษามุ่งเน้นไปทางด้านของวัตถุมากทั้งหลายวัตถุนิยมมากไป่ทางด้านของศีงลธรรมจริยธรรมมันก็หลุไดไปหมดและความเข้าใจก็าหายไปหมดเลย แล้วเข้ามข้ามนุษย์เราไดเป็นเนื่เรื่องความสุขทั้งเรืองความสุขทั้งด้านกามาสุขแต่ไหนก่อนในทางด้านพุทธศาสนาเรื่องกางมาสุขเป็นผลพลอยดังที่ตัวตัวเลแม้ต่กลาจะเกี่ยวข้องกันจะเรียกว่าเหมือนคําว่าอภิเสกสมรสก็คือเอาคนอีกตระกูลคนคนหนึ่งมาเขาก็ดูกัน คุณคนคนคนี้ต่อไปคุณทําหน้าที่สามีนะคนคนนี้ทําหน้าที่ภรรยานะอ่าคนมีวินัยมีกฎหมายหมือกฎหมายนั่เองข้อปฏิบัติสามีพวรปฏิบัติต่อภรรยายังไงภรรย า, ยาปฏิบัติต่อสามียังไงนี่เป็นวินัยเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นปฎิกาเป็นข้อตกลงร่วมกันและในปฏิบัติต่อกันเนี่ยเป็นวินัยเป็นกรอบเช่นว่า ว่ายกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาใช่ไมไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในบ้านนี่แล้วก็หาเครื่องประดับให้ในการอันควรอันนี้เป็นเป็นนยเลยนะที่เพิ่งปฏิบัติกันนะเป็นหลักปฏิบัติคุณจะเป็นดูหมิ่นทําไมต้องยกย่องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับยกย่องสามียกย่อง อา่าเขามีวันนี้ได้เพราะคนๆนี้อ่าผมภรรยาผมเป็นคนขยันภรรยาผมเป็นคนดีภรรยาผมเป็นคนฉลาดทํางานเอาการการที่บอกคนอื่นก็ด้วยแล้วก็ยกย่อมตรนักตงด้วผู้หญิงจะมีกําลังใจงเห็นไหมว่าเพราะจริงๆแล้วชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวลาปฏิบัติมันมีวินัยเป็นตัวกำกับมีพวกวินัยอยู่ขํานอก วิญัยเนี่ยเป็นกรอบเป็นระเบียบเป็นกติกาเป็นข้อตกลงทั้งหมดไม่ใช่สีมันเป็นมันเป็นกฎเป็นกติกาทั้งนั้นเลงแต่เมื่อเราไปจะทำตามนั้นด้วยด้วยจิตที่มีความเมตตาด้วยความอดทนด้วยความเชื่อมั่น น, นี่เป็นธรรมะอันนี้เป็นตัวควบคุมสีมีเจตนาที่ไม่ร่วม เจตนาที่ไม่ไม่คิดนอกใจไม่ปฏิบัติในการที่จะไป น, นอกใจมีเจตนาที่จะปฏิบัติต่อเขาให้ดีพูดจากับเขาให้ดีเป็นต้นต่างๆต่างดูแลซึ่งกันและกันอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นธรรมะเห็นไหมวินัยเป็นกรอบนอกไอ้วินัยที่มีการกับพืชตามวินยัยโดยมีธรรมะเป็นจุดหมายและวินัยนั้นก็มีไอตัว ตัวธรรมะนั้นก็มีไอตัววินัยนั้นก็มีธรรมะเป็นฐานด้วยแล้วก็มีก็มีธรรมะเป็นจุดหมายด้วยเหมือนอย่างเนี้ยว่าเหมือนคนมีไปทําข้อตกลงกันทีจ่จะไปเขียนกฎหมายถ้าเจตนาไม่ดีเนี่ยอันนี้เสียเลยนะเสียตั้งแต่เจตนาแล้วเจตนาที่ต้องการจะเขียนกฎหมายมาเอารัดเอาเปรียบก็เห็นแก่ตนเองแล้วปกครองอ น, นี้เสีย ในด้านของวินัยเนี่ยที่ในด้านของครอบครัวก็ดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้วยกันก็ดีวินัยตัว น, นี้ก็ตั้งฐานมีฐานอยู่ที่ธรรมะและมีธรรมะเป็นจุดหมายพอมองเห็นไหมว่าก็มีธรรมะเป็นจุดหมายเช่นปฏิบัติตอ่อกันอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าขยันในกรณีจัดการงานดีเนี่ย รวมแมวนทำจัดการงานดีจัดการงานในบ้านดีอย่างเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นวินัยโอ้ปัดกวาดดีมากทำความสะอาดก็ดีควบคุมดูแลตรงไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เลยอันนี้จัดอันนี้เป็นวินัยนะแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีธรรมะเป็นจุดหมายเครียดมากเลยโออะไรลบนิดหน่อยก็เครียดก็โกรธอะไรวางไม่เป็นที่เป็นทางก็ดา่าเพราะว่า เห็นไหมมันไม่ได้มีเมธมันไม่ได้มีธรรมะเป็นจุดหมายต้องมีระเบียบมีวินัยกติกาที่ตั้งไว้เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวตั้งก็ได้เองแต่ถ้ามีธรรมะเป็นจุดหมายพุ๊บที่เราทําแบบนี้เพื่อจะเข้าถึงเกิดความเชื่อมั่นได้เมตตามากขึ้นได้ขันติได้กรุณาได้ความินดีได้ตัวกุศลได้ศีลได้สมาธิจะเป็นใอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า วินัยที่มีธรรมะจุดหมายมันถึงจะมันถึงจะมันถึงจะได้ความสุขสมมติว่าโอ้โหบ้านต้องสะอาดบ้านต้องสะอาดกับข้าวต้องทําให้ตรงเวลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเครียดกันทั้งบาง้าน <c oughs> จะมีความสุขอะไรสุขไหมหนูหนูสุขไห ม, ส, ไหมสุขไม่สุข อย่างนี้อย่างนี้มันการจะไหมอยังรู้ไปทักเยงว่าเจ้านายบอกว่าพนให้ไปติดต่องานหนูหนก็หน้าบึ้งไป <uk> ทุกข์มากในนั้นไม่ได้มีความสุขเลย <uk> เห็นไหมหนูทําตามเราเบียบเป๊ะเลยนะเจ้า <uk> <ๆ>นายบอกให้ทำให้ทำทุกอย่างเขาเรียกว่าทําตามที่นายแต่ไม่มีจุดหมายที่ทำนะหนูไม่ได้มีความสุขในการทําเลย ไม่มีความเชื่อมั่นเลยไม่มีความเที่ยวเระไม่มีความอดทนเมตตาก็ไม่เกิดกรุณาก็ไม่เกิดมุทิตาก็ไม่เกิดกาตันยูรู้คุณก็ไม่เกิดกาตะเวทีตอบโทษแทนคุณก็ไม่เกิดเห่นไหมมาสมมุติสมมุติมันมีจริงๆคนแบบเนี้มีเขาได้แค่วินัยได้แค่ระเบียบได้แค่กติกาได้แค่แคข้อตกลงแต่ไม่ได้มีความสุขจากการทำอย่างเนี้เขาเรียกว่าวินัยไม่ได้มีธรรมะเป็นจุดหมาย ถ่ายืนเนี้ยมีความสุขใจเย็นอ๋ออย่างนี้นางั้สุขจริงอ่ะจริงอะสุขตรงไหนอสุขเม่ทรู้กบมีก็สุขใช่ไหทำในงานของเราพร้อมไปกินอาหารอร่อยก็มีความสุขใช่ไหมล่ะสุขแบบนั้นก็เรียกความสุข ดูหนังฟังเพลงก็ยังมีความสุขเลยเอนคะแนน่องานให้แล้วไปได้ผล็ก็มีวเ็อย่างนี้มันคือสุขจแลวคือมันอย่างนี้ว่าหนึ่งการที่เราได้ทางานมันได้ฝึกฝึกให้เรามีทักษะความรู้ความสา ม, มารถะหนึ่งได้ฝึกพฤติกรรมสองได้ฝึกจิตใจสามได้ฝึกทั้งความรู้ ข้อมูลมันได้สามด้านเลยพฤติกรรมก็ดีขึ้นด้านจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นอดทนมากขึ้นได้ความกล้าหาาญมากขึ้นได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นได้ข้อมูลความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นได้ไหมเนี่ยมันมีความสุขตรงนี้ยถือว่าใช้ได้ไดเอ <c oughs> อดีแต่อย่างนี้ใช้ได้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีธรรมะเป็นหลักมีธรรมะเป็นจุดหมาย สมมติให้ท่านไนท์อกไนท์เดี๋ยวตัดต่ออตัดต่อวิดีโอนี่นะท่านไนท์ไปตัดใจจะเครียดต <c oughs> องเครียดอยู่ในหน้างหงิกหน้าง ง, งโอ้นั่งเครียดหมดแรงจะต่างอะไรก็ทำอาหากินครับตอนคาราว่าเพราะคาราว่าท่านก็ทํางานพวกนี้อยู่ใช่ไหม <c oughs> เพียงหวังอย่างเดียว อ, อพอเขาชมดีใจถ้าไม่ชมทุกอย่างนี้ไม่ได้มองเห็นไหมเห็นว่าจริงๆมัน ถ้าทำตามวินัยกฎเกณฑ์กติกาข้อตกลงร่วมกันมันได้แค่วินยัยแต่ไม่ได้ทธรรมะแต่จริงๆแล้วจุดหมายวินัยกติกาที่ตั้งไว้เนะี่ยต้องมีจุดหมายที่ธรรมะและวินัยนั้นก็ต้องมีธรรมะเป็นฐานด้วยเป็นที่ตั้งด้วยต้องต้องมาจากเจตนาที่ดีด้วยแล้วก็ต้องมีธรรมะเป็นจุดหมายด้วยถ้าอย่างนั้นชีวิตมันจะไปมีอะไรก็ ชีวิจะมีอะไรถ้าทำงานเพื่อเงินเอาเงินเป็นจุดหมายเนี่ยมันมีอะไรเงินเงินมันนอกตัวเราแล้วมันจะมันจะไปได้ความสุขได้ยังไงหลายคนก็วิ่งวิ่งนับเงินกันในในบัญชีไปมีความสุขแค่ตัวเลขแล้วมันสุขจริงไหมนะหนูเป็นไหม จริงๆเนี่ยให้มันเป็นแค่ผลพลอยได้แต่อย่าเป็นจุดหมายหลักเงินให้เป็นผลพลอยได้แต่การฝึกพฤติกรรมจิตใจและข้อมูลความรู้เนี่ยเป็นจุดหมายหลักเงินก็เลยกลายเป็นจุดหมายรองมันก็ทำให้เราสุดเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันพอเราต้องกินต้องใช้ต้องดูแลพ่อแม่คุณตา ย, ยายๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปเอาตัวเงินเป็นจุดหมายหลัก ขาดการฝึกตนเองมันสามด้านเลยยุ่งเลยหนูจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตที่ไม่มีเลยทุกวันนี้สภาพสัคงคมมันเปลี่ยนหมดพราเราไม่ไม่บอกกันอย่างนี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าวิไหนก็เลยไม่มีธรรมะเป็นฐานไม่มีธรรมะเลย